บทที่7เป็นเรื่องสั้นนะคะชื่อเรื่องว่าภารกิจของหินห้อยเรื่องสั้นนี้เป็นการแถมท้ายนะคะก็เป็นนิยายที่แสดงให้เห็นชัดเจนขึ้นถึงการที่จะใช้ธรรมะในชีวิตประจำวันให้ได้บุญมากให้ได้ผลมาก ภารกิจของหินห้อยเดวิดชะงักนิดหนึ่งเมื่อเห็นป้ายบนหน้าอกของมันเขาสายหน้าอย่างละอาทางหัวเราะเบาๆเปลี่ยนชื่ออีกแล้วเหรอวันนี้เจ้าหุ่นยนต์หัวรูปรัก บ, บี้พยักหน้ารับกระเป๋าของเขาไปเก็บและกลับมายืนรอที่ข้างเก้าอี้ยาวขณะที่เดวิดเดินตรงไปอาบน้ําตามปกตินิสัยของเขา ที่จะต้องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีที่กลับถึงบ้านใจบัวสายยกน้ำและของว่างมาตั้งรอที่โต๊ะข้างเก้าอี้ยาวตรงเฉลียงแอร์กำลังเย็นสบายมองผ่านกระจกเฉลียงออกไปเป็นทะเลสาบของหมู่บ้านแสงแดดยามเย็นกำลังทอระยิบอยู่บนผิวน้ำคุณปิรามิดเพื่อนข้างบ้านกำลังเล่นเรืออยู่กับลูกชาย เดวิดเดินมานั่งที่เก้าอี้ด้วยท่าทางรื่นรมหยิบขนมฝีมือยายบัวสายเคี้ยวตุ้ยตุ้ยพางมองไปทางคุณฟิรามิรแต่พูดกับเจ้าหุ่นยนต์อ่ะวันนี้แกจะเล่าเรื่องอะไรให้ฉันฟังเจ้าหินห้อยเจ้านายอยากฟังเรื่องแบบไหนครับคนถามเบาๆนิยายเราอานนิยายกันมาถึงพศออไหนแล้วนะเดวิดเป็นคนชอบหนังสือ เขาสะสมหนังสือที่พิมพ์เป็นเล่มจนมีห้องสมุดใหญ่ในบ้านและมีห้องสมุดเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่ซื้อหนังสือโดยให้ทางบริษัทผลิตหนังสือส่งหนังสือเข้ามาเก็บไว้ในเว็บห้องสมุดของเขาเต็มไปหมดมันเป็นความสุขใจแต่เขามีมากจนอ่านไม่ไหวและก็ไม่ค่อยชอบอ่านเองอยากไปชอบให้มีคนอื่นอ่านแล้วมาเล่าให้เขาฟังมากกว่าเขารู้สึกมันเร็วดีสนุกทันใจ แม้ว่าคุณปิรามิดจะเคยบอกว่าการอ่านาหนังสือด้วยตัวเองนั้นได้อัธรสดได้ทราบซึ้งได้สัมผัสอารมณ์ดื่มดากว่าก็ตามแต่เดวิดไม่ค่อยสนใจคำแนะนํานั้นหรอกดังนั้นเขาจึงซื้อหุ่นยนต์นักเล่ามาตัวหนึ่งเพื่อให้มันใช้เวลาระหว่างที่เขาไปทำงานให้มันอ่านหนังสือแล้วก็มาเล่าให้เขาฟังเมื่อเขาอยากจะฟังมันทางานได้ดีทีเดียวมันเล่าเรื่องได้สนุกมีชีวิตชีวา ไม่ตกล่นใจความสําคัญใดๆแต่เขาสังเกตเห็นว่ามันคงจะรับโปรแกรมทางด้านอารมณ์ความรู้สึกมาด้วยพอดูมันจะอ่อนไหวง่ายไม่รู้ด้วยเหตุนี้หรือเปล่าที่ทําให้มันชอบเปลี่ยนชื่อตัวเองบ่อยๆจนเขาต้องให้มันติดป้ายบนหน้าอกเพราะจำไม่ทันล่าสุดมันครั้งนิยายอียิปต์มันจะเรียกตัวเองว่าฟาโรห์และเรียกเพื่อนข้างบ้านว่าคุณพีรามิดซึ่งมันจะตั้งชื่อให้เขาด้วยทุกครั้ง เพราะความที่มันประทับใจในความสม่ำเสมอของเขาที่ออกไปเล่นเรืออยู่ได้ทุกวี่ทุกวันเรื่องนิยายยอดฮิตประจำปีเราอ่านมาถึงพศ2543แล้วครับปีนั้นฮิตเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์มากเป็นนิยายของแม่มดพ่อมดตอนเด็กๆไปเข้าโรงเรียนหัดวิชาพ่อมดแล้วก็มีการประจนภยัย อะไรกันตอนนั้นมัน30สปีที่แล้วปีนั้นเริ่มบ้าอินเทอร์เน็ตกันไปเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เหรอยังจะฮิตนิยายพ่อมดได้ยังไงมันย้อนยุคนะครับเจ้านายพ่อมดหายไปนานเจ้าหิ่งห้อยพยายามอธิบายเดวิดพยักหน้าเงึดงึดคงเหมือนแฟชั่นนะอย่างที่ออฟฟิศฉันนะจะรู้เลยว่าแฟชั่นข้างนอกอเข้าไปถึงไหนกันแล้ว ดูแค่แม่สาวสาวพวกนั้นนะก็ไม่มีวันตกข่าวหรอกไม่เช้านะเจนเนตอะ่ะนุ่งโจงกระเบนกับเสื้อตะเบงมานมาเลยฉันยังแซวเขาเลยว่าค่าศิกบุกมาถึงอายุทธยายแล้วเลยยังไงหลอนค้อนไปสามตลบเดวิดวเร ะ, ะตัวโยนแล้วแกล่ะย้อนยุคกลับไปเป็นสัตว์โลกหรือไงอวันนี้ถึงได้ชื่อหิงห้อยอะ่ะเจ้าหุ่นยนต์น้อยไม่ตอบ มันเริ่มเล่าเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ให้เจ้าหน่ายฟังยายโบืสายกำลังปัดเสือชุลบุญอยู่หน้าโต๊ะเล็กในห้องนอนตอนที่เจ้าหิ่งห้อยโผล่เข้าไปหายายทำได้ทูบเทียนมันหล่นลงเสือแกตอบเบาๆตกใจ แกนั่งลงสงบอกสงบใจแล้วยกมือไหว้รูปพระพุทธเจ้ารูปเล็กๆที่ติดอยู่บนผนังนึกไงไะไหว้พระเจ้าหิ่งห้อยถามเหมือนกระซิบยายบัวสายหัวเราะกระซิบทำไมแต่มันไม่สนใจน็กง่ายไหว้พระมันเหงายายบัวสายตอบสั้นๆคิดถึงบ้านคนบ้านนอกอ่ะเขาคิดถึงบ้านกันรู้จักไหมอ่ะคิดถึงบ้านอ่ะ ฟังชื่อก็รู้แล้วหนาว่าบ้านนอกถ้าคนกลุ้มน่ะป่านนี้ยายชื่อแองเจลาไปแล้วละ่ะเจ้าหิ่งห้อยรู้ดีไม่ว่าแบงคอกจะเปลี่ยนไปถึงอาวากาศแต่ชนบทออกไปนั้นก้าวตามมาช้ามากเหมือนในประวัติศาสตร์ที่เคยมาแม้ว่าคนแบงคอกจะเปลี่ยนชื่อเป็นอังกฤษกันไปแล้วแต่ยายบัวสายจากหน้องบัวลำพูก็ยังเหมือนเดิมยากจนไม่ได้เรียน และทิ้งนามาหางานทาในเมืองอยู่มาจนแก่ตาตาอยู่ตรงนี้ว่าแต่ไหวพระแล้วดีไหมซุ้มเสียงถามของเจ้าหิงห้อยจริงจังก็ดีสบายใจแกรู้จักพระไม่ล่ะยายโบสายชี้รูปพระพุทธเจ้าบนผนังเป็นรูปปางตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพลฉันอ่านพระไตรปิฎกหมดแล้ว รวมทั้งหนังสือธรรมะของพระดังๆทุกองค์ที่เคยเขียนไว้อ่านเปลียนเลยอยากฟังมะยายบัวสายส่ายหน้ายกมือไหว้ท่วงหัวพอเจ้าประคุณยายฟังไม่รู้เรื่องหรอกยายเรียนหนังสือมาน้อยคงจะฟังไม่เข้าใจหรอกสมัยเด็กๆยายก็เคยพาไปวัดนะหลวงพ่อท่านเทพก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง ฟังเอาบุญไปอย่างนั้นแหละเจ้าหิ่งห้อยขยับเข้ามาใกล้ท่าทางเหมือนมีเรื่องสำคัญอยากไปสวรรค์มะยายบัวสายงงจะขำดีไหมเนี่ยแกถามทาไมเจ้าหิ่งห้อยยักคิว้วยายบัวสายเคยขำว่าคนสร้างหุ่ยนยนต์เนี่ยอารมณ์ดีสร้างให้มันยักคิ้วได้เป็นการแถม จะบอกวิธีไปสวรรค์ให้ยายโบสายหัวเราะ อ, ออกมาจนได้ <c oughs> คนจนน่ะไปสวรรค์ไม่ได้หรอกหินห้อยเอ้ยแกไปบอกคุณนายโน่นไปท่านมีเงินจะทําบุญเยอะๆไปสวรรค์ง่ายเจ้าหินห้อยสายหน้าหนักแน่นด้วยการหมุนหัวไปซ้ายรอบหนึ่งไปขวารอบหนึ่งมันเคยบอกว่าสายหน้าไปมานั่นน่ะ เป็นการปฏิเสธเพียงเล็กน้อยถ้าไม่ใช่เลยเนี่ยต้องหมุนให้รอบจะได้มั่นใจคุณนายกำลังเล่นอินเทอร์เน็ตกำลังเล่นไพ่อยู่กับบอนสิงคโปร์มาตั้งแต่บ่ายคุณป่า น, นี้ยังไม่ลุกจากโต๊ะเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ไปสวรรค์หรอกแต่ยายเนี่ยไปได้นะเชื่อฉันสิ ยายบัวสายตื่นแต่เช้ามืดนั่งสวดมนต์บทที่เจ้าหิ่งห้อยเอามาให้สวดบูชาคุณพระรัตนตรยัยและนั่งสมาธิด้วยใจสงบ ก, ก่อนจะลงไปเตรียมอาหารเช้าโดยมีผู้กํากับหิ่งห้อยคอยตามประกบว่าให้ทำอาหารด้วยใจสงบห้ามงดมีดคิดฟุ้งซ่านพอเสร็จยายบัวสายก็แบ่งอาหารในส่วนที่เป็นของตนกลับไปที่ห้องพัก และจัดแจงแบ่งอาหารนั้นออกมาครึ่งหนึ่งเพื่อ น, นำไปยืนรอตักบาตรกับพระสงฆ์เพียงรูปเดียวที่ทางหมู่บ้านนิมนต์ให้มาบิณฑบาต ท, ทุกเช้ายายบัวสายดีใจมากที่อย่างน้อยก็มีพระสงฆ์มาโปรดรูปหนึ่งแก เ, เคยรู้มาว่าบางหมู่บ้านก็ไม่มีเพราะพระสงฆ์เหลืออยู่น้อยมากและคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยตักบาตรกันแล้วเจ้าหิงห้อยรออยู่ที่หน้าประตูบ้าน ดูยายบัวสายกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วจึงกลับเข้าบ้านพร้อมกันมันอธิบายว่าเวลาทำบุญต้องตั้งใจให้แน่วแน่และสงบตลอดเวลาทั้งตอนเตรียมอาหารตอนตักบาตรและตอนหลังคือกรวดน้ำถ้าทำด้วยใจสงบแล้วจะได้บุญมากมายและต้องมีศรัทธาให้มากๆว่าทำดีแล้วจะมีผลดีไป ร, รอยอยู่ในอนาคต แถมมันยังหยอดความจริงที่น่ากลัวมาอีกว่ายายแก่แล้วนะมีเวลาทําบุญไม่มากรีบๆทําเถอะเดี๋ยวจะไม่ทันข้อนี้เถียงมันไม่ออกแต่เจ้าหิงห้อยก็ไม่น่าพูดมากยังไงยายก็คนยังกลัวตายอยู่นาแต่เอาเถอะมันรู้มากกว่าก็ต้องยอมมันเพราะอยากจะไปสวรรค์ยายบัวสายจริงพยายามเป็นนักเรียนที่ดี คุณพีระมิดออกจะแปลกใจที่ระยะหลังไม่เห็นยายบัวสายมาคุยกับมะลิแม่บ้านในตอนบ่ายเหมือนเคยคําสอบถามก็ได้ความว่ายายบัวสายขยันทํางานขึ้นและตอนบ่ายนั่งฟังเทศของหลวงพ่อหญิงห้อย้องกับดูแลให้เครื่องรีดผ้ามันทํางานไปเขาจ้างยายมาทํางานถ้ายายทํางานดีก็ได้บุญถ้ายายอู้งานยายก็ได้บาปที่โกงเขาเพราะเขาไม่ได้จ้างให้มาอู้ ถ้ายายทำอาหารตั้งใจทำให้คนกินเขาอร่อยยายก็ได้บุญยายเห็นไหมว่ายายไม่ต้องใช้เงินเลยคนจนก็ทำบุญได้ตลอดเวลาแค่ยายไม่ไปนั่งฝอยตอนบ่ายก็ได้บุญละเพราะยายงดเว้นบาปข้อพูดเพ้อเจ้อในสินห้าก็ได้บุญแล้วยายบัวสายยิ้มแก้มปรินางรู้สึกปราบเริ่มใจขึ้นมาโดยฉับพลันแถมมาฟังฉันเล่าธรรมะยายก็ได้บุญข้อฟังทำอีก วันๆทำบุญได้มากมายหลายเรื่องยายบัวสายอิมเอมีความสุขหลวงพ่อหิ่งห้อยบรรยายต่อไปด้วยท่าทางสุก ข, ขุมยายทำแต่สิ่งดีพูดจาดีคิดแต่เรื่องดีๆมีเมตตาการุณาไม่โลภอยากได้ของคนอื่นไม่ปองร้ายใครไม่เบียดเบียนใครเพราะการเบียดเบียนคนอื่นก็เหมือนเราสร้างบาปไว้ไปรอให้ผลกับตัวเองในวันข้างหน้า ยายบัวสายพยักหน้างึกงักพยายามตั้งใจฟังบุญนี้ยายทำเองต่อไปทั้งชาตินี้และชาติหน้ายายก็จะได้รับผลบุญเองอันนี้ใครทำให้ก็ไม่ได้เหมือนยายหิวข้าวยายต้องกินเองถ้าคนอื่นมากินแทนให้ยังไงยายก็ไม่อิ่มยายต้องหิวเป็นลมตายยายบัวสายหน้าเสียลงไปหน่อย งันยายก็คงได้บุญน้อยใช่ไหมเพราะยายเพิ่งจะมาทำบุญเจ้าหิงห้อยสายหน้าแบบหัวหมุนกลับยายโบสายอยากให้มันทำซ้าอีกสามรอบฉันบอกแล้วไงทำดีพูดดีคิดดีจะได้บุญส่วนการทำบุญตักบาตรถึงจะทำน้อยแต่ตั้งใจมากก็ได้บุญมากเหมือนเวลายายเอามะม่วงลงในดินเม็ดเดียว แล้วคอยตั้งใจรดน้ำพรวนดินอยู่เรื่อยๆต่อไปยายก็ต้องได้ต้นมะม่วงถ้าต่อไปมันก็จะทาให้ลูกมะม่วงเป็นร้อยๆลูกยายบวยสายยิ้มแล้มสวดมนต์เสร็จยายอธิษฐานกับพระนะว่าให้ได้ไปเกิดในสวรรค์หรือเกิดในที่ดีๆแล้วมีโอกาสทําบุญมากกว่านี้เข้าใจธรรมะมากกว่านี้ยายจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ เหมือนที่ยายจะได้ลูกมะม่วงเยอะๆไงยายบวสายเผลยยกมือขึ้นไหวท่วมหัวด้วยความประทับใจในคำบรรยายของหลวงพ่อหิ่งห้อยใครว่าเราเลือกเกิดไม่ได้ถ้าเราอยากเกิดในที่ดีๆเกิดเป็นคนมีบุญตอนนี้เราก็สร้างบุญเอาไว้เป็นเหตุเพราะเรามีเหตุดีเราก็ต้องได้รับผลดีแน่นอนได้ไปเกิดที่ดีแน่นอนจริงไ้มยาย คุณปิรามิดซึ่งเดี๋ยวนี้เจ้าหิงห้อยเรียกเขาว่าคุณพุทธคยามาช่วยงานทั้งที่บ้านและที่วัดให้กับเดวิดเนื่องจากคุณนายแม่ของเดวิดได้เกิดอาการหัวใจวายขณะเล่นการพนันทางอินเทอร์เน็ตกับบ่อนในลาสเวกัสเดวิดไม่ค่อยสันทัดในการจัดงานเท่าไหร่จึงรู้สึกเบาใจที่คุณพุทธคยามาช่วยติดต่อบริษัทรับจัดงานศพ และช่วยในการส่งบัตรเชิญทางอีเมลและประกาศในหนังสือพิมพ์คอมพิวเตอร์หน้าข่าวงานศพมีคนตอบรับอีเมลพร้อมสารแสดงความเสียใจมากมายพร้อมกับภาพพวงหลีดทั้งหน้าจอซึ่งเจ้าหิงห้อยมีหน้าที่เก็บไว้เพื่อเอาไปฉายบนจอในศาลาสดศพภายในงานมีการเปิดเทปสวดพระอภิธรรมภาษาอังกฤษโดยมีพระสงฆ์เพียงรูปเดียวคอยเดินเวียนไปตามศาลาต่างๆ เพื่อรับปัจจัยทําบุญที่เจ้าภาพจัดถวายวัดความที่เดวิดไม่ค่อยคุ้นกับงานพิธีเขาจึงรู้สึกโกราหนอยู่ตลอดสมวันของงานพิธีการต่างๆในงานนั้นเมื่อจัดงานใหญ่ก็จะมีความซับซ้อนวุ่นวายธรรมเนียมต่างๆเพิ่มมามากขึ้นตามการเวลาจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันสะสมมาเรื่อยๆจนลูกหลานหัวหมุนเมื่อปฏิบัติ ต้นบ่ายของวันสุดท้ายมีการเลี้ยงอาหารแก่แขกจำนวนมากเป็นมือใหญ่เป็นการทําบุญทำทานแทนการเลี้ยงพระเนื่องจากพระไม่ค่อยมีต้องใช้บาทหนึ่งรลูกมาวางเรียงแล้วถวายปัจจัยทําบุญลงในบาทพระเพื่อรวบรวมไปให้สมาคมสงฆ์รักซึ่งจะส่งต่อไปยังวัดที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆต่อไปนับเป็นการทาบุญใหญ่เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ร่วมรับ เจ้าหิ่งห้อยยืนสงบอยู่ข้างหลังเจ้านายเดวิดเอ่ยกับมันอย่างเน็ดเนื่อยเสร็จพิธีแล้วนะเดียนี้หลวงพ่อก็จะเผาแล้วก็เสร็จเจ้าหิ่งห้อยไม่ได้ตอบคำปีหน้าวันครบรอบแกเตือนฉันด้วยนะเกิดฉันยุ่งง้นลืมทำบุญให้แม่เจ้าหิ่งห้อยพยักหน้างึกงักเหมือนน้ำมันหล่อลื่นที่คอมันฝืด ทำบุญตักบาตรไปคุณนายแม่จะได้กินหรอครับเดวิดสายหน้าไม่รู้หรอกคงได้มั่งก็เขาทำกันมาเจ้านายกินข้าววันละสามมือ้อและคุณนายแม่กินข้าวปีละมื้อเดียวไม่หิวแย่หรอครับถ้าเดวิดได้รู้ว่าเจ้าหิงห้อยอ่านพระไตรปิฎกมาแล้วมันอาจจะได้รู้จักคำว่าถูกเตะเออนะ แกว่าวันนี้แม่ได้บุญเยอะไหมวะเจ้าหิ่งห้อยไม่ตอบมันรู้ว่าถ้ามันตอบว่าวันนี้คุณนายแม่ไม่ได้บุญมันคงถูกเตะเจ้าหิ่งห้อยนึกเสียดายวันเวลาของคุณนายแม่ที่ช่วงวัยชารา เ, เพลิดเพลินไปกับการเล่นไพ่ข้ามทวีปไปทุกบอนทั่วโลกทั้งๆ ท, ที่มีความรู้มีปัญญาและมีเงินทอง พอที่จะประกอบกรรมดีแก่ตัวเองได้มากมายการมีพไตปีดกในคอมพิวเตอร์แต่ไม่เคยศึกษาไม่เคยปฏิบัติก็ไม่มีประโยชน์แก่ตัวเองเลยแม้แต่น้อยยายปวดสายอ่อนแรงพ่อร้องไห้ถึงอย่างไรคุณนายก็ออกจะดีกับนางจนอดใจหายเมื่อจากไปไม่ได้เจ้าหิงห้อยเฉยเมยจนนางหมั่นไส แต่จะหยิกมันก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีเนื้อมีตะเหล็กถ้ายายตายหิงห้อยจะทําบุญให้ยายไหมมันสายหน้าเล็กๆยายบัวสายเพ่งหมองอย่าสายหน้าไปจนเกินจมูกกระดิกเฉนะบุญยายทําไว้ยายจะได้รับเองไม่ต้องรอใครส่งไปให้ถึงฉันจะใส่ให้ก็จริงอแต่ยายก็อาจจะไม่ได้รับก็ได้ ยายบัวสายถอนใจยาวๆได้รับหรือไม่ได้รับยายก็จะใส่บาตร ท, ทาบุญไปให้คุณนายกวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้ท่านยายควรจะทําอย่างนั้นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้อื่นก็เป็นบุญอย่างหนึง่งยายจึงควรจะทําสาธุเออค่อยเป็นพวกเดียวกันหน่อยนะแก ยายบัวสายอยากจะค้อนเจ้าหิงห้อยมันสักวงหนึ่งแต่ก็นึกขึ้นมาได้เออแกว่าคุณนายอ่ะจะได้ไปสวรรค์ไหมเจ้าหิงห้อยเจ้าหุ่หยหนยนต์น้อยนิ่งเงียบไปนานก่อนจะตอบว่าไทยทำอะไรไว้อ่ะก็ได้อย่างนั้นแหละคุณนายก็คงเคยทําดีมาบ้างกรมังใช่ไหมยายเราไม่รู้หรอก มีคุณนายคนเดียวแหละที่รู้ปีต่อมายายบัวสายก็ล้มป่วยเจ้าหิ่งห้อยซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนชื่ออีกเลยได้คอยเฝ้าดูอาการยายบัวสายป่วยแต่กายจิตใจกลับสงบนิ่งและเต็มไปด้วยศรัทธาในความดีงามที่ตนปฏิบัติอย่างเข้มงวดมาตลอด นับตั้งแต่หลวงพ่อหิ่มห้อยชีย้ทางนางพยายามทำความดีเว้นการทำชั่วทุกชนิดและรักษาใจให้สงบมีธรรมะอยู่เสมอสวดมนต์ภาวนาอย่างดื่มดำํำเชื่อมั่นในกรรมและการให้ผลของกรรมนางรู้สึกสุขสงบและมีความหวังถึงชีวิตหน้าที่ดีงามจนนาทีสุดท้ายของชีวิต เจ้าหิงห้อยกระซิบบอกที่ข้างหูให้นึกถึงบุญที่ทาและบอกให้แกรับรู้ว่าคนจนอย่างแกหอบอ บ, บุญไปด้วยมากมายเดวิดไม่ได้จัดการอะไรในการจากไปของยายบัวสายเจ้าหิงห้อยรับอาสาติดต่อเจ้าอาวาสมารับศพไปเผาโดยเดวิดยินยอมจ่ายค่าดำเนินการให้เขาปาลบว่า แย่หน่อยนะญาติไม่มีมาจัดงานเลยอย่างนี้จะเอาบุญจากที่ไหนพรุ่งนี้แกไปตักบาตรให้ยายเขาหน่อยสิหิงห้อยเจ้าหิงห้อยหมุนหัวไปรอบหนึ่งไม่ทันแล้วครับเจ้านายยายไปเกิดในสวรรค์แล้วครับนางฟ้าเขาอิ่มทิพย์แต่พรุ่งนี้ผมจะไปตักบาตรให้ตามที่เจ้านายสั่งจะได้ส่งบุญไปให้เออดีละ เขาพยัยหน้างึกๆึกมองเจ้าหิงห้อยด้วยความโงนในสิ่งที่มันพูดมันคงเอามาจากหนังสือก็มันมีหน้าที่อ่านหนังสือหุ่นยนต์มันจะไปรู้อะไรเออทำไมเดี๋ยวนี้แกไม่เห็นเปลี่ยนชื่อเลยอ่ะเปลี่ยนนิสัยแล้วหรือไงเปล่าครับผมยังทำหน้าที่ของหิงห้อยอยู่ก็เลยยังใช้ชื่อนี้อยู่ครับมันยักคิว้ว เดวิดรู้สึกว่าเวลามันยักคิว้วเท้าของเขามันคอยจะยักตามไปด้วยความหมันไส้หน้าที่อะไรของแกก็คอยส่องแสงเล็กๆให้กับคนที่อยากมองเห็นทางเล็กๆในความมืดอันกว้างใหญ่ไพศาลตดดังความมืดในจักรวาลพอๆพอพ อ, พอเลยสำนวนของแกไปได้ละเดวิดโบกไม้โบกมือ เจ้าหิงห้อยมาหยุดอยู่ตรงหน้าเจ้านายของมันเจ้านายครับผมรู้ว่าเจ้านายซื้อผมมาผมควรพยายามอ่านหนังสือที่เจ้านายชอบและเล่าให้ฟังให้สนุกให้เจ้านายเพลิดเพลินแต่ผมอยากจะลาออกเจ้านายมีเงินเยอะคงไม่เป็นไรถ้าจะซื้อตัวใหม่มาอยู่นี้มือสองก็ไม่แพงนะครับพราะเาเปลี่ยนโปรแกรมเร็ว พวกโปรแกรมหุ่นยนต์อ่านหนังสืออย่างพวกผมอะ่ะมันมีคนต้องการน้อยเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างจะเอี่ยมอ่องนะครับบางทีอ่านให้ฟังเล่มสองเล่มเขาก็เบื่อขอเปลี่ยนโปรแกรมไปเป็นท่องอวกาศกันแทนเอาหุ่นยนต์ไว้เล่าเรื่องอวกาศและคอยไปเป็นเพื่อนคู่หูเวลาไปเช่าขับยานอาวกาศที่ศูนย์จักราวาลจาลองตอนนี้กำลังฮิตแกแล็กซี่ใหม่ๆกันมากเลยครับเดวิดงง มันพูดเยอะและเร็วไม่มีช่วงเบรกแล้วแกจะทำอะไรเหรอเจ้าหิ่งห้อยยืดอกและผายมือทำท่าเหมือนนักร้องผมจะไปอยู่ที่วัดนั่งที่ศาลาฟังธรรมแล้วใข่เทศให้คนที่มาวัดฟังเพราะคนที่มาวัดมาด้วยใจเป็นทุกเดวิตสายหนะ้ามีคนไปว่ากี่คนกันนั่นแหละครับยิ่งดี ยิ่งมีมาน้อยคนแสดงว่าคนที่มานั้นทุกเต็มที่และผมเป็นเพียงหินห้อยน้อยมีแสงไม่มากพอที่จะสว่างกระจ่างทั้งโลกาแบบพระจันทร์ผมช่วยคลายทุกข์ให้ครั้งละคนก็พอใจยิ่งแล้วครับผมกับชื่อหิ่งห้อยของผมแล้วแกจะเอาอะไรไปช่วยคลายทุกข์ให้เขาแฮร์รี่พอตเตอร์อเหรอแกได้เวทมนตร์คาถามาจากนายหนังสือแล้วงาเปาครับเจ้านาย เจ้าหิงห้อยหมุนหัวสามรอบผมรู้ข้อตาปีดกหมดแล้วครับรวมทั้งคําสอนจากพระอาจารย์เก่งๆทั้งหลายผมเข้าไปในหมวดธรรมะทั้งหมดถึงผมจะเป็นหุ่นยนต์ไม่อาจรู้สึกได้ว่าความทุกข์คือยังไงแต่ผมรู้ว่าคนที่เข้าเป็นทุกข์อ่ะเข้าเป็นยังไงและจะคลายยังไงตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเดวิดอึง้ง เขานึกไม่ถึงว่าเจ้าหิ่งห้อยจะมีพูทที่ปัญญาถึงเพียงนี้มันเป็นเพียงหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้นนี่นาทำไมมันคิดเองเป็นด้วยล่ะขนาดเขามีห้องสมุดส่วนตัวถึงสองประเภทก็ยังไม่เคยคิดจะอ่านพระไตรปิฎกหรือธรรมะใดๆที่อยู่ในคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่พศ2542เลยอะ่ะอย่าว่าแต่จะไปรู้เพื่อช่วยคนอื่นแม้แต่จะเพื่อใช้กับตัวเองก็ยังไม่เคยอยากจะรู้ ทำไมกยอยากไปเทศเจ้าหญิงห้อยทําท่านักร้องอีกพระพุทธเจ้าสอนว่าเราควรช่วยเหลือเกื้อกูลมีเมตตาต่อผู้อื่นให้ความมีเมตตานั้นมากเหมือนกับแผ่นดินที่ขุดไม่มีวันหมดผมประทับใจมากอยากจะเป็นแผ่นดินที่ใครๆมาขุดไม่มีวันหมดผมอยากจะพอๆพอๆ พ, พอแล้วตกลงใช่ให้กาไปก็แล้วกันนะเดวิดโบกไม้โบกมืออีก ขับคุณครับเจ้านายที่ให้โอกาสหินห้อยตัวน้อยนี้ได้ทำประโยชน์มหาศาลแกต้นเองในอันที่จะเผยแพร่ธรรมะเพื่อที่จะพอฉันบอกว่าพอแล้วไงหรือจะให้เปลี่ยนใจไม่อนุญาตเจ้าหิ่งห้อยรีบเงียบเสียงลงทันทีมันยักคิ้วสามครั้งให้กับตัวเองอย่างดีใจก็จบลงแล้วนะคะทิ่านเรื่องสั้นการ์ตูนตอนจบก็เป็นลูกเด็กหิงขวัญกาลัง เป็นละบำดด้วยความร่าเริงใจดีใจเหมือนเจ้าหินห้อย